ต่อไปโดยอาการชื่อว่ามีอันทําลายไปแตกทําลายไปอันนี้เป็นอะไรลักษณะอันนี้จะลักษณะคือแตกทําลายไปเพราะย่อยยับไปด้วยพยาธิชราและมรณะเนี่ยนะปะโลกโตเนี่ยนะก็คือโลกะปกติคําว่าโลกะแปลว่าสิ่งต้องสลายปะนี่นําหน้าแปลว่าทั่วปรโลกะโตเนี่ยแปลว่าสลายทั่วแปลว่า แตกโดยรอบทําลายโดยรอบตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นรูปไหนที่ไม่เคยสลายบ้างไหมไม่มีอนะเนาะเสียงไหนที่ไม่เคยสลายมีไหมกลิ่นรสโตพตาภะใดไม่เคยสลายแล้วมีเวทนาใดไม่สลายสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณใดไม่สลายเลยมีไหมไม่มีเพราะทุกอย่างนี่สลายทั่วปรโลกโตนเนี่ยนะแตกทําลายไปหมดเลยทําลายไปย่อยยับเช่นว่าขันห้านี่มันทําลายเพราะอะไรเช่น รูปประคันที่ตายตายเนี่ยเพราะอะไรเป็นปัจจัยให้ตายตายเพราะแก่บ้างมามีนะเพราะแก่บ้างนะนะความแก่มากๆก็ตายเพรันถ้าแก่มากๆแล้วอายุเกินร้อยไปแล้วฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายดูแลยังไงก็ตายนะวาานี่ขันห้าเป็นปรโลกเนี่ยแตกทำลายอย่างนั้นแหละแล้วก็บางทีก็ตายด้วยโรคใช่ไหมแม้กระทั่งว่าถ้าโรคเข้าเล่นงานเนี่ยตายทั้งแต่อยู่ในขันได้เลย นะตั้งตายตั้งอยู่ในครนนะคลอดออกมา1วัน2วันสวันแม้กระทั่งยิ่งโบราณด้วยนะเด็กยิ่งตายมากกว่าสมัยนี้เยอะมากเพราะว่าการดูแลรักษาวัคซีนเป็นต้นไม่มีนะโรค ก, การติดเชื้อโรคระบาด ท, ทั้งหลายไม่มีการควบคุมยิ่งเด็กสมัยโบราณเนี่ยตายมากพยาธิก็เป็นเหตุให้ตายมรณะก็เป็นเหตุฮะเออชาราก็เป็นเหตุให้ตายในที่สุดตัวมันเองนั่นแหละคือตัวมรณะปะลกะคือแตกสํมะแตกทําลายแตก สลายไปพระนนไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนนชื่อว่าโลกชื่อว่าโลกด้วยอัดเพียงเท่าไหร่น้อแลจึงชื่อว่าโลกพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะแตกสลายไปเนี่ยนะเพราะเหตุที่แตกสลายไปนั่นแหละจึงชื่อว่าโลกอะไรสลายล่ะจักขคุสลายรูปก็สลายจักรคูวิญญาณก็สลายภาษาเวทนาก็เป็นสิ่งที่สลายพันรูปก็สลายเวทนาก็สลายสัญญาสังขารและวิญญาณก็ สลายไปความที่แตกทำลายสลายไปอย่างนี้จึงเชื่อว่าโลกเนี่ยนะสลายทั่วก็เลยเรียกว่าปโลกปะโลกะเนี่ยนะแปลว่าสลายทั่วไม่มีเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวคะเชื่อไหมสิบโดยอาการเชื่อว่าเป็นเสนีย จ, จันไรเนี่ยนะอีติโตอีติโตก็คือของจันไรอ่ะนะก็อันที่จริงก็จริงอย่างนั้นจริงๆอ่ะ น, นะก็อย่างเช่นว่า บางแห่งนี้เขาถือมากเลยใช่ไหมเอากระดูกเข้าบ้านเขาไม่ยอมเด็ดขาดอย่างเงี้นะเอากระดูกบางอย่างเข้าบ้านไม่ได้สัตว์บางอย่างเข้าบ้านก็ชื่อว่า อ, นนอีสานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่า ง, งูเข้าบ้านเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่โตเลยนะ<ม>เดือดร้อนพระอีกต้องมาสวดต้องมาอะไรอีก น, นะก็ถือว่าเสนียดมากนะเนี่ยเสนียดมันพระเวลาให้พอเนี่ยสัพพิโยวิวัชชานตุ น, นะความจังไรทั้งปวงจงมำราตายอย่างเง้นะก็ให้หมดจังไรอย่างเง้นะถ้าหมดขันห้าเมื่อไหร่ก็เลือกจังได้ทักที ถ้ายังมีขันห้านะไม่ไม่ไม่เลิกจังไรเน็ตขาดเพราะว่าจังไรทั้งหลายมันลงที่ขันห้ามันเกิดที่ขันห้านั่นแหละทําไมขันห้าจึงชื่อว่ามันจังไรแหละเพราะนํามาซึ่งความพินาศก็คือถึงถ้าไม่มีขันเนี่ยโรคจะมีไหมอ้าวไม่มีถ้าไม่มีขันนี่จะถูกเคี่ยนถูกตีถูกฆ่าเป็นต้นไหมไม่มีถ้าไม่มีขันจะเจ็บจะป่วยจะตายไหมไม่มีพันขันห้าจึงชื่อว่าอีติโต เป็นของที่เป็นจนสเสนียดจันรารเพราะว่านำมาซึ่งความพินาศมากมายเนี่ยนะพินาศมากจริงๆนะในโลกของขันห้าเนี่ยในโลกความเป็นต่างๆของขันห้าขันห้าพร้อมที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ได้เนี่ยนะเคยเห็นไม่มีอยู่ๆแล้วปากเบี้ยวไปเฉยๆอย่างนั้นะอันนั้นก็มีบางคนเนี่ยปากเบี้ยวแขนข้างหนึ่งดีก็ยกไม่ขึ้นเลยอันนั้นตายไปครึ่งตัวอย่างนี้ก็มีเป็นอมพฤกอมภพาศ พร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างจริงๆพร้อมที่จะปากบิดจมูกมี้อวเป็นต้นเนี่ยพร้อมจะเป็นได้หมดแหละผิวที่เคยดีๆพร้อมที่จะถลอกปอกเปิบเป็นอะไรไปก็ได้หมดอ่ะนะอย่างเช่นอยู่ๆแล้วผื่นมันขึ้นเต็มตัวได้เฉยๆอย่างนั้นอ่ะนะอยู่ๆแล้วก็ร้อนเหงื่อแตกพลักอะไรอย่างนั้นอันท่านจึงว่าอีติดโตเป็นของที่เป็นเสนียดจันไรต่อไปชื่อว่าโดยอาการชื่อว่ามีอันตรายอันตรายนี้มาจากอะไร อุปัทถวะโตเนี่ยนะแปลเป็นไท ย, ไทยว่าอุบาทเนีนน่ยนะก็มีอันตรายตัวนี้เนี่ยนะหมายถึงว่าอุบาทหมายถึงว่านําแต่ความไหยนะใหญ่หลวงมาให้ที่ไม่รู้นั่นเทียวและเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความอันตรายทั้งปวงก็ไหนะยนะทั้งหลายเนี่ยมันลงที่ไหนเพราะเรามีคอนี่ยแหละลจึงถูกตัดคอใช่ไหมก็อยนะ่างเช่นคนที่ถูกเข็มถูกฆ่าถูกประหารถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบย ก็เพราะมีขันนั่นแหละก็เพราะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนั่นแหละจึงถูกเคี่ยนถูกเข็นถูกฆ่าถูกตีอันหายนะใหญ่หลวงทั้งหลายก็ลงในขันแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งเป็นที่ตั้งอาศัยแห่ง ห, หายนะทุกชนิดว่าขันทุกขันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลมากมายว่ามีขันนี่แหละจึงเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลกรรมบททุกอย่าง มันขันห้าจึงชื่อว่าเป็นอุปัวะโตเนี่ยนะเป็นของมีอันตรายแล้วก็เป็นวัตถุอันตรายด้วยนะใครที่เกี่ยวข้องกับขันห้าที่ยังไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยอันตรายมากนะเนีมันก็ต้องระวังระวังบ้างวัตถุอันตรายไปทาให้ผิดใจดูสิอันตรายใหญ่หลวงจากปรากฏก็เช่นใครมาทําให้เราผิดใจดูสินะวัตถุอันตรายก็ ระเบิดออกมาเลยใช่ไหมระเบิดมาทางตาบ้างถ้าเรื่องบางเรื่องก็ทะลักออกมาทางตานะบางอย่างก็ทะลักออกมาทางวาจาบางอย่างก็ทะลักออกมาทางกายเนี่ยนะนะไอ้กล่นอยู่ในใจนะั้นต่างหากแสดงว่าวัตถุอันตรายนะขันห้านี่ชื่อว่าวัตถุอันตรายจริงๆเช่นระเบิดมันไม่น่าอันตรายหรอกถ้าไม่มีขันนะั้นมันจะแตกกี่ลูกกี่ลูกไปก็ไม่เห็นเป็นไรนะแต่ถ้ามีขันห้าไปรองรับละ่ะนะแขนก็ไปทางหนึ่งขาก็ไปทางหนึ่งเพราะน่ะตัวอันตรายจริงๆก็คือตัว ร่างกายนั่นแหละร่างกายและจิตใจนั่นแหละคือวัตถุอันตรายโดยอาการชื่อว่าเป็นภัยเนี่ยนะโดยอาการเป็นภัยมาจากบาลีว่าพยโตภัยนี้โดยศัพท์แปลว่าน่ากลัวก็คือเป็นของน่ากลัวมากเพราะอะไรเพราะเป็นบ่อกเกิดแห่งความน่ากลัวทั้งปวง น, นะความน่ากลัวทั้งปวงนี่มีที่ขันห้าขันห้านี้เป็นเหตุแห่งความน่ากลัวทุกอย่าง และเพราะเป็นปฏิบักษต่อบรมมัสสาทะกล่าวคือพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบทุกข์มันน่ากลัวมากถ้าเทียบกับพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานมีแต่บรมมัสสาทะแปลว่าน่ายินดีที่สูงสุดไม่มีอะไรน่ายินดีเท่านิพพานแล้วแต่ว่าขันห้ามันเป็นอันตรายเพราะมันเป็นปฏิปักษต่อพระนิพพานเพราะผู้ใดชื่นชมขันห้ายังไงก็ไม่บรรลุนิพพานเนี่ยนะ แล้วก็มูสัตว์เนี่ยเพลิดเพลินในขันห้าจึงไม่สามารถแทงตลอดพระนิพานอันเป็นที่สงบทุกข์ได้ขันห้าทั้งหลายโดยอาการชื่อว่าเป็นความขัดข้องขัดข้องมาจากบาลีว่าอุปศักเป็นของมีอุปศักเนี่ยนะอุปศรคขัดข้องอันนี้ก็ทุกขลักษณะเพราะอะไรเพราะถูกความหายนะ อนเนกประการติดตามนี่ไหายนะก็คือความเสียหายทุกอย่างติดตามมาเพราะถูกสิ่งที่เป็นโทษขัดขวางและเพราะเป็นของไม่ควรแก่การรับไว้เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ย น, นะอะไรก็ตามที่เรียกว่าอุปสรรคเช่นอุปสรรคทางการกลืนคืออะไรอะไรขวางคอก้างเป็นต้นถ้าขวางคอเนี่ยอุปสรรคอันนี้อะไรเกิดขึ้นดีไหมไม่ดีนะ ถ้าล้อรถเนี่ยมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นล้อมันก็หมุนไม่ไปฉันใดกายนี้ถ้าแต่และอย่างในร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะเป็นอุปสรรคเลยนะรูปทุกรูปพร้อมที่จะเป็นอุปสรรคให้ฟังธทำไม่ได้ก็มีทุกอย่างในร่างกายพร้อมที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาพระธรรมเพื่อออกจากวัตฏะมันขัดข้องทุกอย่างจริงๆเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นวัตถุที่เรียกว่าตัวอุปสรรคตัวอุปสรรคก็คือ ขันห้าน่แหละขันจึงเป็นอุปสรรคมันนาความทุกเรียกว่านำความเสียหายนำโทษทุกอย่างมากองเอาไว้ที่ขันห้าเนี่ยนะเป็นภาชนะรองรับความเสียหายสารพัดชนิดคือขันห้าแล้วก็14บเนี่ยนะชื่อว่าโดยอ่โดยอาการชื่อว่ามีความความไหวก็คือหวั่นไหวจระโตเนี่ยนะการบอกว่าไงจรลาจนนะนะ เจลาโตเนี่ยวันไหวก็คือจราจนทั้งหลายเนี่ยนะสมมติว่าเกิดจราจนขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะแปลว่าขันห้ามันตีกันเองเนี่ยนะจราจนก็คือมันตีกันเองมันทะเลาะวุ่นวายเช่นเกิดจราจนขึ้นมาทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยนะขันห้ามันทะเลาะกันจริงๆเลยนะรูปทะเลาะเวทนาเวทนาทะเลาะสัญญาทะเลาะสังขารทะเลาะวิญญาณเนี่ยนะแปรปรวนวันไหวจนใจไม่สงบเนี่ยไม่เชื่อลองกําหนดลมหายใจดูเถอะ เดี๋ยวจลาจลมันจะเกิดทางความคิดขึ้นมาสับสนวุ่นวายไปหมดเลยถามว่ามันวันไหวอย่างไงมันวันไหวด้วยพยาธินีรูปนะรูปก็วันไหวด้วยพยาธิความป่วยและความตายความป่วยด้วยวันไหวด้วยความแก่และความตายและด้วยอํานาจโลกธระทำทั้งหลายมีลาบเสื่อมลาบเป็นต้นโลกกระทำนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดจลาจลใช่ไหมจลาจลในขันห้าเนี่ยนะเช่นได้รับลาบ หรือเสื่อมลาบก็จราจลเกิดขึ้นก็อย่างที่เรียกว่าถ้าผลประโยชน์ยังลงตัวอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวเมื่อไหร่อะไรเกิดขึ้นเกิดจราจลขึ้นหรือมีลาบก็จราจลเองเหมือนกันนะสมมติเอามีเนื้อก้อนหนึ่งไปโยนในท่ามกลางฝูงสุนัขสุนัข ก, ก็เป็นจราจลขึ้นมาทันทีที่ใดมีจราจลมากแสดงว่าที่นั่นมีมีลาบนะ มีความเสื่อมลาบมียศมีความเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์นะที่นั่นจึงมีจลาจนเพราะโลกธรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งจลาจนเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายทุกชนิดขันห้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตัวจลาจนนี่ก็คือตัวขันห้านั่นแหละทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต่อไปชื่อว่าโดยอาการชื่อว่ามีความแตกสลายแตกสลายคืออะไร ปะพังคู่โตเนี่ยนะพังคาบแปลว่าแตกทำลายใช่ไหมปะนำหน้าปะแปลว่าทั่วมันปะพังคู่โตก็คือสลายทั่วแตกทำลายไม่มีเหลือนะ ก, ก็จริงอะนะอย่างร่างกายเนี่ยคิดว่า یک, อีกอีกห้าพันปีข้างหน้าเราจะเหลือสักชิ้นหนึ่งไหมโอ้ยเป็นผงไปหมดแล้วเนอะคงไม่มีใครเอาเราไปอะไรนะไปทำแบบมัมมี่อะไรนะเอาไปอะไรนะ เอาไปสตาฟไว้แบบเสือปลาเป็นต้นาเาไสตาฟไว้แบบแมวแบบนกเขาอะไรไหมคงไม่มีใครสตาร์ฟเราเลยนะเอาไปตากแห้งแบบกบอย่างงี้ยมาไม่มีใครเอาเราไปตากแห้งไปสตาฟเอาไปทําแบบมัมมี่อะไรแบบนั้นสรุปว่าสลายหมดสลายทุกชิ้นเลยนะคือคือถ้าคิดให้เห็นว่าแม้กระทั่งขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมรูปประคัเอเวนามขันก็สลายที่ไหนกุศินารา รูปประคันก็แตกทําลายที่มกุฏพันธนะเจดีย์แล้วก็สลายกระจัดกระจายไปทั่วไปหมดโดยที่สุดแม้แต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของเราทั้งหลายนะไม่ร่วมสลายนะกระดูกของเราไปสลายกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเนอแต่ว่าตัวที่เห็นชัดเลยสลายแตกทําลายแจกไปเรื่อยเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็เรียรายทั่วไปหมดเลยนะเรี่ยราดเดี๋ยวก็ไปร่วงตรงนั้นร่วงตรงนี้กระจัดกระจายทั่วไปหมด คนในสรีระก็ร่วงทั่วไปหมดเลยนะอุจระปศวะก็ไปเที่ยวเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดเลยเนะไปกระจัดกระจายไว้เกือบหลายแห่งมากเลยนะแล้วต่อไปนะเนื้อเลือดเอ็นกระดูกก็กระจัดกระจายทั่วไปหมดเหงื่อนี่ไปกระจัดกระจายทิ้งไปทั่วไปหมดเลยเพราะนี่เพราะเป็นของที่แตกสลายแตกทํำลายในที่สุดกระดูกข้าวกระดูกจะ ก, กระจัดกระจายอยู่ที่ไหนนาอนะเอากระดูกไปกระจายที่ไหนเนาะเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะเป็นของ ปังกูโตเนี่ยนะเป็นของผุพังไปหมดนะนะเวทนาขันทั้งหลายไปสลายทั่วไปหมดเลยนะสัญญาสังขารและวิญญาณสลายตามทวารต่างๆสลายตามอารมณ์ต่างๆสลายตามทวารต่างๆวัตถุต่างๆปัจจัยต่างๆเพราะขันห้าเป็นธรรมชาติที่สลายอย่างนี้แหละต่อไปก็โดยอาการชื่อว่าไม่คงทนไม่คงทนนี่มาจากอัตุวะโตเนี่ยนะทุวะแปลว่ายั่งยืน ตรงกันข้ามกับย่งยืนเรียกว่าไม่คงทนก็จะทนไปสักเท่าไรเนาะเพราะมีอันตกไปทุกๆขณะที่ตั้งลงและหาความมั่นคงอะไรไม่ได้เนี่ยนะคือมันไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะอย่างร่างกายของเราเนี่ยหาความมั่นคงตรงไหนได้บ้างไม่มีแม้แต่ที่เดียวเลยเพราะตกไปในทุกๆขณะที่ตั้งลงเนี่ยนะกรร ม, มชรุกก็แตกทาลายไป อุตูชโรภจิตตชโรภอาหารชโรภเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีตกไปทุกๆขณะไม่มีความมั่นคงแม้แต่ชิ้นเดียวไปโดยอาการชื่อว่าไม่มีที่ต้านทานอตานะโตเนี่ยนะหมายความว่าเช่นว่าถ้าข่าศึกออกมาถ้าถ้าข่าศึกมาเนี่ยเราอะไรเอาอะไรมาต้านต่อต้านข่าศึกเนี่ยนะต่อต้านข่าศึกต่อต้านศัตรูต่อต้านโรคนะเขบอกว่าวิตามินต่อต้านโรคเป็นต้นใช่ไหม ทีนี้ขันห้านี่เอาอะไรมาต่อต้านได้อ้าเพราะนั้นคำว่าขันห้าไม่มีไม่มีที่ต้านทานนะไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านทานเพราะไม่มีที่คุ้มครองและหาความปลอดภัยไม่ได้เหนะ็นไหมไม่รู้จะเอาอะไรมาคุ้มครองขันนะคุ้มครองรูปคุ้มครองเวทนาคุ้มครองสัญญาสังขารและวิญญาณนะทำยังไงรูปประขันจึงจะปลอดภัย ทำยังไงเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันจึงปลอดภัยวันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรแม้แต่นิดเดียวมันจึงไม่มีที่ต้านทานเอาสมมติในอย่างสมัยใหม่เลยนะถ้าเกิดสงครามโลกแบบสมัยใหม่เลยเนี่ยนะระเบิดนิวเคลียร์ลงตุ้มมาเนี่ยนะเอาอะไรมาต้านทานดูไหมไม่รู้จะ อ, อะไรต้านทานเอาเนื้อของเราไปต้านไว้เลยหลุดไปตั้งนานแล้วเ น, นี่ยนะมันไม่มีอะไรเป็นที่ต้านทานจริงๆ แล้วก็ต่อไปก็อะเลนโตโดยอาการชื่อว่าไม่มีที่ซ่อนเร้นคือไม่สามารถเพื่อจะเพื่อเป็นอันซ่อนเร้นได้และเพราะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นที่ซ่อนเร้นแม้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้ซ่อนอยู่ในตผู้ซ่อนตัวอยู่คือเราก็ไม่รู้จะไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะขันห้าของเรานะถามว่าไปไปไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนที่จะไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยนะ ถ้าที่นั้นมีอยู่จริงนะสงสัยราคาเป็นหมื่นล้านก็จะมีคนซื้อบริการเยอะมากเลยนะถ้าหากว่ามีที่ซ่อนมีที่เรนเรนจากความแก่เรนจากความป่วยเรนจากความตายถ้ามีอยู่จริงแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงขันห้าก็เหมือนกันสัตว์อื่นมาซ่อนตัวอยู่ในตัวเราได้ไหมยพยาติขอซ่อนอยู่ด้วยได้ไหมได้เหรอเว้ยรู้เมื่อไหร่ก็โหเดือดร้อน <laughs> ออกไปให้เร็วที่สุดนะคือ คือเราไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไปซ่อนไม่ได้ใครมาซ่อนอยู่ภายในเราก็ซ่อนไม่ได้สรุปว่าไม่มีที่เร้นจริงๆเลยนะไปซ่อนอยู่ตรงไหนอะซ่อนจากภัยซ่อนจากอุปสรรคถ้าหาว่าอากุศลเกิดขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนยากเหมือนกันนะพันขันห้านี้ไม่เป็นที่ซ่อนเร้นไม่เป็นที่หลีกเร้นเลยนะสมมติว่าไม่มีไม่ไม่เป็นหลุมหลบภัยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวหลบภัยใดๆไม่ได้เลย แล้วก็ขันห้าชื่อว่าโดยอาการชื่อว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งนี่อะไรสิบแปดอะเลนะโตเนี่ยนะเลนะตัวนั้นเนี่ยหมายคำว่าไม่มีที่พึ่งอาอสารณะนะถูกแล้วอาสารณะโตนะใช่แล้วพึ่งแม่้หมพึ่งรูป คิดง่ายๆนะพึ่งผมได้ไหมพึ่งขนพึ่งเล็บพึ่งฟันพึ่งหนังพึ่งเนื้อพึ่งเอ็นพึ่งกระดูกเนี่ยนะมอบมอบมอบความไว้วางใจที่ไตที่ตับที่พังผืดที่ม้ามที่ปอดเนี่ยนะเอาเป็นที่พึ่งได้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะพึ่งที่เนี่ยสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาพึ่งได้ไหมพึ่งในกุศลในกายมัญญาพยาบาทสัญญาก็พึ่งไม่ได้นะพึ่งในกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารก็ไม่ได้พึ่งในจักขูวิญญาพึ่งได้ไหม พึ่งโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณสรุปพวกนี้ไม่มีที่พึ่งเลยเพราะไม่มีความเป็นที่กําจัดภัยแก่ผู้อาศัยเอาจิตไปซ่อนไปไปแอบพักพิงเอาไว้กับรูปหรือกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันพึ่งไม่ได้จริงๆเลยขันห้ามันรูปประขันสารนังขฉามิจึงไม่มีไง รูปะนะเวทนาขันสรารนังขาชามิข้าพเจ้าขอถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดภัยเนี่ยนะกำจัดภัยได้ไหมก็ตัวภัยนะี่ตัวมหาภัยเลยไม่รู้จะไปพึ่งเพื่อกําจัดภัยได้อย่างไรนั่นขันห้าทั้งหลายไม่มีที่พึ่งขณะเดียวกันไม่เป็นที่พึ่งให้แก่ใครด้วยน ะ, ะนะตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ไปขอพึ่งขันอื่นก็นไม่ได้แล้วขันอื่นจะขอพึ่งก็ ไม่ได้เพราะมันเป็นอาสารณะไม่ใช่เอออาอสารณะเนี่ยนะไม่ใช่สารณะไม่เหมือนพุทธังทมบางสังฆังสารณังกระชามีใช่ไหมอย่างนั้นพึ่งได้แต่ขันห้านี้พึ่งไม่ได้่คิดจะพึ่งผมหรือพึ่งไม่ได้พึ่งฟันพึ่งไม่ได้พึ่งเนื้อพึ่งเอ็นพึ่งกระดูกเป็นต้นเนี่ยพึ่งไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วต่อไปนะชื่อโดยอาการชื่อว่าเป็นของว่างว่างตัวนี้มาจากคําว่า ตดโฉลตดโชเนี่ยนะว่างฤทธิ์ ต, ต, ต, ตะโตนะว่าง เ, าเพราะว่างจากความยั่งยืนนะว่างจากความงามว่างจากความสุขตามประการที่ชนพาณทั้งหลายคาดคิดคือคนพาณ น, นี่คิดว่า ม, มันมีความยั่งยืนอยู่ในขันห้าใช่ไหมคิดว่าขันห้ายั่งยืนคิดว่าขันหงามคิดว่าขันห้าเป็น สุขเนี่ยนะก็หวังแต่จริงๆมันว่างจากสิ่งที่คนพานถือเอาหมดเลยเช่นหวังว่าขันห้าเหล่านี้จะอะไรจะงดงามตลอดไปนี่เป็นไปได้ไหม น, นะก็ซื้อดอกไม้มาหลายๆดอกกันนะดูดอกไหนมันจะงามตลอดไปบ้าง น, นะก็ถ้าถ้าเราดูกลีบบัวนี่จะเห็นชัดเลยนะกลีบนอกๆมาเนี่ยเป็นยังไงเฉาไปแล้วนะเริ่มเหี่ยวเต็มทีแล้วกลีบในๆก็ยังสดแต่ว่าหลายๆวันผ่านไป เกลีย บ, บัวเหล่านั้นก็จะร่วงโรยเหี่ยวเฉาไปหมดนี่ขนาดไม่มีวิญญาณครองนะภายนอกยังเป็นเช่นนั้นได้แล้วภายในหลักมันจึงไม่มีความยั่งยืนและความงามที่แท้จริงมีไหมงามโดยสีโดยกลิ่นโดยโอกาสและโดยปริเชษนะโดยในร่างกายเลยเนะี่ยในรูปประคันเป็นต้นหาความงามไม่ได้เลยงามโดยกลิ่นได้ไหมกายนี่งามโดยกลิ่นได้ไห ม, ม, ม, ไ, ไ, หมไม่ได้เนี่นะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขจริงหรือ ที่ใดที่เราบอกว่าโอ้ยที่ใดมีความสุขนะที่นั่นแหละจะตามมาด้วยความทุกข์เนี่ยนะมันจึงว่างจากความเที่ยงว่างจากความงามว่างจากความสุขจึงเรียกว่าภาษาบาลีว่าริตตโตต่อไปก็ตุดโฉแปลว่าเป็นของว่างแต่เป็นของเปล่าเนี่ยนะเพราะเป็นของว่างนั่นเองหรืออีกในหนึ่งก็บอกเพราะ เป็นของเล็กน้อยจริงอยู่แม้ทางโลกเป็นของเล็กน้อยเขาก็เรียกกันว่าตดฉับแปลว่าของเปล่าเช่นว่าหม้อข้าวที่มีข้าวอยู่สองสามเม็ดเนี่ยนะเราจะเรียกว่าหม้ออะไรหม้อข้าวห ม, ม้อมีข้าวใช่ไหมเอางี้ลหม้อเปื้อนน้านี่จะเราจะเรียกว่าหม้อมีน้ำไหมหม้อเปื้อนน้ามีหยดน้าอยู่สามสี่หยดเนี่ยนะขันห้าทั้งหลายก็เหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันนไ เพราว่าเป็นของเล็กน้อยมากๆเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนย น, นะแม้กระทั่งความยั่งยืนความงามความสุขในขันท่า ก, ก็เป็นของเล็กน้อยเนี่ยนะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันน้อยเกินไปที่จะเหมือนไหนนะเหมือนน้าผึ้ง ท, ที่อยู่บนใบมีดใช่ไหมมันก็มีอยู่บ้างอ่ะนะดูเหมือนอร่อยแหละลองเลียดูเถอะแผลบหนึ่งได้สองลิ้นเลยนะเลียไปสักสิบครั้งเนี่ยจะได้กี่ลิ้นดีก็คูณสองคูณสองเข้าไปเนี่ยนะก็ได้ลิ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะ ต่อไปโดยอาการชื่อว่าเป็นของศูนย์ศูนยโตเนี่ยนะเพราะเว้นจากผู้เป็นเจ้าของผู้เข้าอาศัยผู้สร้างผู้เสวยผู้สิงสถิตอ่า น, นะถามว่าขันห้านี่ใครเป็นเจ้าของขันห้านะใครเป็นเจ้าของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยใครเป็นเจ้าของบอกว่าความคิดเป็นเจ้าของและความคิดมีใครเป็นเจ้าของและความคิดเหล่านั้นเกิดด้วยปัจจัยไม่ใช่หรือ เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่เป็นเจ้าของและถามว่ามีผู้เข้าอยู่อาศัยไหมมีอะไรอาศัยอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมไม่มีใครสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีใครเสวยผลของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีใครสิงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีไหมไม่มีเนี่ยนะบอกว่าถ้าผีสิงบอกเออแล้วผีมาสิงอะไรมาสิงผีอีกครั้งหนึ่งไง นั่นจึงไม่มีผู้สิงสถิตอะไรอย่างแท้จริงต่อไปโดยอาการชื่อว่ามิใช่ตนเนี่ยนะอนัตตาเนี่ยนะอนัตตะโตเนี่ยเพราะแม้แต่ตนเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นต้นนะก็คือมันก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเลยนะไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้เป็นของของใครเนี่ยนะตัวเองก็ไม่เป็นเจ้าของของตัวแล้วก็ไม่ได้เป็อใครไม่ได้เป็นเจ้าของของใครแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นเจ้าของอะไร โดยอาการชื่อว่าเป็นของมีโทษมีโทษเนี่ยนะขันห้าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโทษใดๆเกิดตามขันห้าบ้างไหมประวัติทุกเนี่ยนะประวัติทุกทุกขของขันห้าเนี่ยโทษทั้งหลายตั้งแต่มีขันห้ามาเป็นยังไงบ้างก็โทษทั้งหลายตั้งแต่อยู่ในคันคลอดออกจากคันท่านบอกว่าทุกตั้งแต่อยู่ในคันทุกที่เกิดจากบริหารขันทุกที่เกิดจากการคลอดจากคันทุกขที่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วทุกของเด็กอนะ นึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ตคลอดไปจนถึงหนึ่งขวบทุกของเด็กสองขวบสามขวบสี่ขวบ5้าขวบจนถึงสิบขวบเด็กอายุโตขึ้นมาเอางนะเด็กทุกของวัยรุ่นทุกของคนวัยกลางคนทุกของคนแก่สรุปว่ามีแต่ทุกที่เป็นไปนะกองทุกนั่นแหละมันของมีโทษจริงๆเนี่ยนะเพรา ะ, เ, ะเพราะทุกเป็นของมีโทษอีกในหนึ่งบุคคลชื่อว่าอาทีนวะเพราะอาจว่า ไปคือดําเนินไปเป็นไปสู่ความเข็นใจคําว่าอาทีนวะนี้เป็นชื่อเรียกคนกําพาราแม้ขันทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นกําพร้าเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าโดยอาการเป็นอาทีนบคือเป็นโทษเนี่ยนะก็คือเข็นใจนะขันห้านี้เป็นของตัวขันห้านะแต่ละขันนี่เข็นใจมากๆเลยนะอย่างเช่นจักรครูภาษาทานี่ก็ของเข็นใจนะ พราต้องตักขู่ภาษาถ้าต้องอาศัยอะไรบ้างต้องอาศัยมหาพูต้องอาศัยน้ําตาอาศัยน้ําเลือดอาศัยน้ําเหลืองเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้มันต้องอาศัยเขาเต็มไปหมดเลยขันทุกขันทุกขันแต่ละอย่างเนี่ยตัวเองเนี่ยคนกําพละทั้งนั้นเลยนะเวทนาก็กําพระเพราะต้องพึ่งคนอื่นเขาหมดเลยเหมือนคนในโลกคนเข็นใจก็คือคนกําพละคนยากไร้ฉันใดขันห้าก็คิอว่าเป็นของที่กําพลาฉันนั้น มันเป็นของที่ตัวเขาเองก็มีโทษเป็นที่ตั้งแห่งโทษแล้วก็เป็นเป็นตัวกําพะเหมือนอย่างว่าเด็กคนหนึ่งพอคลอดออกมาแม่เอาไปทิ้งป่วยก็ป่วยไข้ก็ขึ้นเนี่ยนะหิวก็หิวพิการก็พิการเลือดก็อาบแมลงก็กัดเป็นต้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ดีไหมถามว่าในโลกนี้คนแบบนั้นมีไหมเนี่ยนะไม่น้อยเลยโดยอาการชื่อว่ามีความเปรปรวนไปเป็นธรรมดา แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะมีปกติเปลี่ยนไปด้วยอาการสองคือชราเป็นธรรมดาแล้วก็มรณะเนี่ยนะนะวิปริณธรรมเนี่ยนะแปรไปเนี่ยนะก็สิ่งใดที่ไม่รู้จักแปรมีไหมโลกนี้นะเดี๋ยวก็แปรรูปเดี๋ยวก็แปรเนี่ยนะสีเดี๋ยวก็แปรเสียงก็แปรกลิ่นก็แปรรสก็แปรโพธิภพก็แปร ธรรมารมณ์ทั้งหลายก็แปรไปเวทนาก็แปรสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างก็แปรไปเพราะความแก่และความตายโดยอาการชื่อว่าไม่มีแก่นสารเนี่ยนะอาสารกโตใช่ไหมเพราะความที่ซามกำลังเคยเคยเห็นต้นไม้ไม่มีแก่นไหมอย่างเช่นหญ้าคาที่มันไม่มีแก่นอะไรเลยเนี่ยจะเป็นยังไงหรือไม้อะไรที่มันกลวงข้างในที่มันไม่มีแก่นเลยเนี่ยเพราะ มีกําลังสามและก็เพราะเป็นสิ่งเคาะที่อาจแตกหักได้ง่ายเหมือนกับพีไม้หรือไม้กับพีฉะนั้นเนี่ยนะไม้ที่ไม่มีแก่นนะเช่นต้นหญ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่มีแก่นพอลมพัดมาก็หักกระจายไปฉันใดขันทั้งหลายก็ฉะนั้นน้ําท่วมมาขันก็ตายไปเป็นพันเน่ยนะอย่างจีนเนี่ยน้ําท่วมกว็าตายไปเป็นพันเป็นต้นเพราะฉันทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละ มันเป็นของที่ไม่มีแก่นอะไรเลยรูปไม่มีแก่นปราศจากแก่นเวทนาไม่มีแก่นปราศจากแก่นสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีแก่นปราศจากแก่นไม่มีแก่นคือความเที่ยงเลยไม่มีแก่นคือความสุขเลยไม่มีแก่นจากความเป็นอัตตาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีแก่นจริงๆขันห้านี้ชื่อว่าโดยอาการชื่อว่าเป็นมูลแห่งความลำบากเพราะเป็นเหตุแห่งความ ทุกยากเนี่ยนะสมมติว่าเอาเอ า, เอาไปโยนในที่เอาเราไปทิ้งไว้ในที่กันดานสักแห่งห น, นึ่งนะถามว่าทุกทั้งหลายก็ประดังเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนนี่ก็เหมือนกันจะต้องไปในกันดานคืออ น, นะกันดานคืออะไรชาติเนี่ยนะจับโยนไม่รู้ไปอยู่คันตรงไหนก็ไม่รู้นะชาติกันดารอย่างเงี้ยนะเพราะมูลแห่งความลำบากทั้งมวลก็ติดตามมาเ น, น ขันห้าเนี่ยเป็นมูลแห่งความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนความเร่าร้อนอะก็ตั้งแต่มีขันห้ามาเนี่ยใครสบายบ้างนะแสดงว่าทําบุญเก่ามาดีมากนะแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะ ไ, ไม่ป่วยทางร่างกายก็ป่วยทางใจกันได้ไม่ลําบากกายก็ลําบากใจใจไม่ค่อยลําบากแต่ก็ลําบากกายแล้วก็บางทีก็ไม่สบายเป็นที่ที่ไปเป็นแห่งๆไปเดี๋ยวก็สรุปลาบากทั้งกายแล้ว จิตใจเนี่ยตั้งเอ่อมีรูปก็ลำบากกายมีนามก็ลำบากใจเนี่ยนะก็เลยลำบากทั้งกายและและใจเนี่ยนะโดยอาการชื่อว่าเป็นดุจเพชฌฆาตเพราะมักทําลายความไว้วางใจเหมือนศัตรูผู้มีหน้าเหมือนมิดเนี่ยนะก็ทําลายความไว้วางใจนะเราบอกเออขันหมันดีนะเนี่ยชื่นชมมันแป๊บเดียวจะเอาเรื่ององี้ยเนี่ยนะมัน วางใจอะไรไม่ได้เลยใครวางใจในรูปประคันได้บ้างวางใจในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันวางใจว่ามันจะเป็นไปได้ดังใจเราคิดเนี่ยนะได้ไหมไม่ได้แม้แต่ขันเดียววันวางใจไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวพร้อมที่จะกลับมาฆ่าเราคิดง่ายๆว่ามีขันไหนมัง่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งน้ำตาคลอมัง่งในที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งน้าตาจนได้เพราะว่านี้จึงเป็นผู้ฆ่า รูปค่ารูปรูปค่านามนามค่ารูปนะนามค่านามรูปค่ารูปเป็นต้นเนี่ยพวกอนี้มันเข็นค่ากันกลับไปกลับมาค่ากันอยู่นั้นแหละสงครามขันห้าเพราะอะไรถึง ข, ขนาดเนี้ยนะไม่มีที่อื่นมาค่ามันก็ยังตายเลยอย่างนี้แหละเพราะว่าขันห้ามันคือตัวเพชรจะฆาามันก็ฆ่ากันเองจนได้นั่นแหละโดยอาการชื่อว่ามีแต่ความเสื่อมมีแต่ความเสื่อมบาลีว่าไง วิภวะโตเนี่ยนะภวะโตก็คือความเจริญใช่ไหมวิภาวะก็มีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงเพราะปราศจากความเจริญและเพราะเป็นตัวเสื่อมเนี่ยนะตัวเสื่อมก็หลายๆท่านตอนนี้ปีใหม่แล้วก็เสื่อมนะเห็นชัดเลยนะเสื่อมขึ้นเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมไปในที่สุดก็เสื่อมเสร็จแล้วก็สลายต่อเสื่อมสิ้นแล้วก็สลายไปเนี่ยนะมันมีแต่ความเสื่อมลงเสื่อมลง แล้วก็สาสวะโตเนี่ยนะแปลว่าน่าจะแปลว่าเป็นอารมณ์ของอาสะวะเนี่าสวะโตนี่แปลตามอัฏฐะตรงจริงต้องแปลว่าเป็นอารมณ์ของอาสะวะรูปเป็นที่ตั้งแห่งกามาสะวะเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งภวาสะวะสัญญาสังขารก็เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐสะวะวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาสะวะแต่รูปแต่ทุกขันนี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะสีนั่นแหละ เป็นที่ตั้งแห่งกามาสวะภวาสวะคือเป็นอารมณ์ของอาสวะหาขันไหนมัง่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเนี่ยนะนอกจากโล ก, กุตรธรรมแล้วไม่มีขันห้าที่เป็นโลกียธรรมนี้เป็นที่ตั้งแห่งกามาสวะหมดเลยโดยแม้กระทั่งร่างกายของพระอารหันต์ก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งกามาสวะเนี่ยนะก็มีพระอารหันต์เทรีใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะสุภาเทรีใช่ไหม สุภาเถรีที่เป็นพผ้าทหารงามมากก็นักเลงเจ้าชู้ก็ตามจีบเลยก็จีบอยู่ตั้งนานเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็บอกว่าเธอชอบอะไรจริงๆบอกชอบตาก็เลยควักตาให้ น, นะท่านก็อันนี้ก็คือขันห้าของพผ้าทหารก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งกา ม, มาสวะพระมหากัจยนะเนี่ยกัจจานะนี่มาจากคําว่าทองนะเพราะท่านมีผิวพรรณเหมือนทองเป็นคนงามมากโสระยะเศรษฐีบุตรเห็นแล้วรักเลยอะ่ะ ว่กโอ้โว ห, หนามีเราเพรงงามเช่นนี้หรือว่าบุคคลเช่นนี้เป็นให้มีเราเนี่ยแล้วก็คิดไปก็เลยเป็นผู้หญิงเลยอายก็เลยหนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะตอนหลังท่านก็อธิษฐานให้ให้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะว่าร่างกายของพระรหารก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลเนี่ยนะพันร่างโดยที่สุดร่างกายของพระทหารก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งกา ม, มาสะวะเป็นที่ตั้งแห่งภาวาสะวะทิฏฐาสะวะเป็นต้นเนี่ยนะ สรุปว่าร่างกายหรือขันท่าทั่วไปเนี่ยเป็นของที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะเนี่ยนะกามาสะวะเป็นต้นนั่นเองมันเป็นประทัดฐานคือเหตุใกล้ของอาสะวะอาสะวะทั้งหลายเนี่ยถ้าสาวไปแล้วก็มาจากขันถ้าไม่มีขันก็ไม่มีอาสะวะเพราะว่าขันห่านเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอาสะวะโดยอาการชื่อว่าเป็นสังคตะ เพราะเป็นสิ่งที่เหตุและปัจจัยทั้งหลายสร้างขึ้น น, นะถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุถูกสร้างขึ้นด้วยปัจจัยเช่นรูปประขันเกิดอะไรสร้างเขาขึ้นอวิชาตันหกรรมอาหารเป็นเป็นต้นเนี่ยเป็นตัวสร้างเขาขึ้นมันจะต้องอาศัยอวิชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารเนี่ยถ้าปัจจัยเหล่านั้นสิ้นไปอะไรจะเกิดขึ้น ก็พร้อมที่จะแตกทำลายเสียหายไปหมดเลยโดยอาการชื่อว่าเป็นเหยื่อของมารเป็นเหยื่อของมารหมายความว่าเป็นเหยื่อของมัจจุมานเพราะมีขันนี่แหละจึงมีความตายใช่ไหมถ้าไม่มีขันเนี่ยจะมีความตายไหมไม่มีเพราะขันเหล่านี้จึงเป็นเหยื่อของความตายและเป็นเหยื่อของกิเลสขันเนี่ยนะมันเป็นที่อาศัยของ กิเลสโดยที่สุดขันของแม่ก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลส ข, ของลูกเพราะลูกจึงฆ่าแม่เป็นต้นได้นะขันเหล่านี้จึงเป็นเหยื่อของความตายแล้วก็เป็นเหยื่อของกิเลสร้ายๆสารพัดชนิดเนี่ยนะคือกิเลสมารเนี่ยแปลว่าตัวมาณคือตัวเศร้าหมองเพราะขันห้านี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองต่อไปโดยอาการชื่อว่ามีความเกิดเป็นธรรมดาธรรมดาตัวนั้นแปลว่าปกติ มีความเกิดเป็นปกติแก่เป็นปกติป่วยเป็นปกติแล้วก็ตายเป็นปกติเพราะมีปกติเกิดแก่เจ็บและตายเนี่ยนะอันนี้คือธรรมดาของขันหธรรมดานี่แปลจริงๆและธรรมดาเนี่ยนะแปลได้หลายอย่างธรรมดาตัวนี้ธรรมะตัวนี้แปลว่าปกติขัน5มีความเกิดเป็นปกติแก่เป็นปกติเจ็บเป็นปกติแล้วก็ตายเป็นปกติมันก็แสดงว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้ถือว่าปกติอยู่เนี่ยนะ ถ้ายังแก่แสดงว่ายังปกติอยู่ใช่ไหมท่านมีปกติอยู่หรือถ้าถามว่าแบบมีปกติอยู่ดีหรือก็บอกใช่เพราะแก่เป็นปกติเจ็บเป็นปกติแล้วก็ตายเป็นปกติใช่ไหมปกติแปลว่าอะไรกันแน่ตกลงบ่อยๆใช่ไหมปกติแปลว่าอะไรสีตละคือมันเป็นอย่างนั้นอ่ะนะเจ๊มวยว่างไงนี่ธรรมชาติชะรามรณะเนี่ยแหละ ธรรมชาติชรามรณะเนี่ยนะปกติพวกนี้คือปกติแปลว่ามันคือสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นแหละนะตัวของมันเป็นอย่างนั้นแหละคือตัวที่เกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็ตายเป็นธรรมดาเพราะเวลาใครป่วยนะให้ถือว่าปกติป่วยเมื่อไหร่บอกว่าไม่สบายหรือบอกเออปกติดีคือปกติป่วยแล้วถ้าตายก็เกือบตายแล้วก็บอกเออยังปกติอยู่เพราะว่าตายเป็นปกติเนี่ยนะ แต่ว่าให้ปกตินี้ทําใจไม่ได้ไนะส่วน <c oughs> คําว่ามีความโศกเป็นธรรมดามีปริเทวะรําพันเป็นธรรมดาแล้วก็มีความขับแค้นใจเป็นธรรมดาธรรมดาตัวนั้นแปลว่าเหตุนะธรรมะตัวนั้นแปลว่าเหตุหมายคำว่าขันห้าเป็นเหตุแห่งความโศกขันห้าเป็นเหตุแห่งความร่ําไรรําพันและขันห้าเป็นเหตุแห่งความ คับแค้นใจเพราะฉะนั้นเวลาเราโศกนะไม่มีโศกพ้นขันห้าหรอกนั้นขันห้าจึงเป็นเหตุแห่งความโศกขันห้าเป็นเหตุแห่งความบ่นเพอ้อพิไรรำพันขันห้าเป็นเป็นเหตุแห่งความคับแค้นใจลำบากใจอึดอัดใจเครียดทางใจเลยนะมันขันห้านี่แหละเป็นนะที่เรียกว่าที่ที่แสดงในที่ตาลขณะสูตรใช่ไหมว่าร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะเพราะความเกิดความแก่และความตายเนี่ยนะ ไอตัวนี้เนี่ยหมายหมายว่า ป, ปกติของขันห้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ร้อนเพราะโศกปริโศกะปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปาญาตอันนั้นหมนายคือว่าขันห้าเนี่ยเป็นเหตุแห่งความโศกเป็นเหตุแห่ปหงปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต์เพรจริงๆริอะนะเวลาเราจะโศกสักเรื่องหนึ่งนะความเศร้าใจขึ้นมาเพราะอะไรไม่มีพ้นเจริดจากขันห้าหรอกบ่นนะไม่มีใครบ่นว่าอุ้ยบ่นเกินขันห้านะบ่นถึงนิพพานนี่ไม่มี แล้วก็โลกของความบ่นเพอ้อก็บ่นอยู่ในขันห้าแล้วก็แค้นใจอึดอัดใจไม่สบายใจก็เพราะขันห้านั่นแหละเป็นปัจจัยว่ามันเลวร้ายขนาดนี้เราก็ยังรักมันนะแล้วก็โดยอาการชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเพราะมีความเป็นธรรมะที่เป็นอารมณ์ของความเศร้าหมองคือตันหาคือขันห้าทุ ข, ขันเป็นที่ตั้งแห่งตันหาใช่ไหมมันจึงเศร้าหมอง ขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิขันห้าเลยเป็นของเศร้าหมองขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งกายญาตุจริตรวจีทุจริมโนทุจริขันห้าเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองเป็นธรรมดาเส่งเศร้าหมองเป็นธรรมดามันโดยสรุปนะพิจารณาสี่บทั้งสี่ิบอย่างก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาของขันห้าก็คือโลกของความเลวร้ายของขันห้าถ้าขันห้าดีจริงนะพระพุทธเจ้าสอนให้ยึดแล้ว พงต้องชมสิว่าเออขันห้าเป็นของเที่ยงใช่ไหมใช่ไหมเป็นสุกมีอย่างนั้นไหมไม่มีพูดตรงกันข้ามที่เราคิดเสหมดเลยนะเพราะนั้นั่นคือความเห็นของพระอริยเจ้าท่านมีความเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงเห็นตัวนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยท่านมีปัญญามีวิปัสสนาปัญญาเห็นว่าขันห้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆของเรานะขอเห็นตามใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ก็ขอขอเห็นตาม ขอเห็นตามโดยไม่เที่ยงแตกทําลายหวั่นไหวแตกสลายไม่คงทนมีความแปรไปเป็นธรรมดาไม่มีแก่นเป็นความเสื่อมเป็นสังตะมีมรณะเป็นธรรมดาพวกนี้เรียกว่าอ น, นิจจ์เนี่นะปัญญาที่ตามเห็นอย่างนี้เรียกว่าอ น, นิจจานุปัสสนาอนิจจานุปัสสนามีสิบข้อนะในในสี่สิบเนี่ยเป็นอ น, นิจจงซะสิบข้อสิบข้อสิบคูณ ข, ขันห้าก็เท่ากับห้าสิบเนี่ยนะ สมมาสนะโดยอาการ5คือฝ่ายเอ่นอาการว่างอาการเปล่าอาการศูนย์เป็นอนัตตานี่นะหอย่างนี้คืออนัตตลักษณะ5คูณ5เท่ากับ25ก็เลยเป็นอนัตตานุปัสสนา25นะเพราะขันหนึ่งก็คูณ5ส่วนที่เหลือที่เหลือเท่าไหร่เออคือหมายคำ ว, ว่าเอาอันนี้จังออกไป10เอาอนัตตาออกไป5ก็เหลือ 25 25ิบหคูณ5เท่ากับร้อยนั้นทุกขานุปัสนาจึงมี1 2อยยเมื่อพระโยคาวจรนั้นพิจารณาขันห้าด้วยยามที่พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นต้นนี้แยกได้เป็น200อาการโอ้ได้วิปัสนาตั้ง200แล้วเนาะอยู่อย่างนี้อนิจจะสมมาสนะาการา พ, จาราพิจารณาอนิจจังพิจารณาทุกขังพิจารณาอนัตตานี้เรียกว่านยาวิปัสนา อันนี้เป็นภาษาที่เรียกของใครใครเรียกในอย่างนี้ว่านยาวิปัสนาชาวศรีลังกาเรียกว่านยาวิ ป, ปสัสนากราปสัมมสนาเป็นคำชาวอินเดียเขาเรียกกันย่อมเป็นธรรมชาติมั่นคงถ้าไล่ขันห้าทุกขันหน้าเห็นโดยอาการ40หรือขันห้าคูณอาการ40เท่ากับ200เนี่ยนะโห ว, วิปัสนานี้ถือว่ามั่นคงมากเลยใช่ไหมถือว่าเป็นคนแข็งแรงเลยนะแข็งแรงทางปัญญานะมีปัญญาแข็งแรงมาก วิธีการพิจารณานี้จัดเป็นวิธีการเริ่มพิจารณาตามแนวแห่งพระบาลีในการพิจารณากราปะนี้ก่อนอนะนะยวิปัสสนากับสัมมกราปะสัมมะสนะคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะสิ่งเดียวกันนี่ก็พักสักครู่ก่อนนะใน